ของโยมมันมันละเอียดนะแต่เข้าใจไล่ได้เลยเพราะว่ามันเป็นมันสิ้นความปรุงแต่งไปแล้วไงมันสิ้นความปรุงแต่งแต่ความปรุงแต่งก็มีอยู่นะอ่ความปรุงแต่งเพราะว่าทุกขณะจิตเนี่ยความปรุงแต่งมันก็เกิดดับไปเรื่อยนะไม่จบไม่สิ้นเนาะแต่มันมีธรรมชาติที่ที่เป็นรู้อ่ะรู้ที่มันเป็นเรียกว่าธาตุรู้ก็ได้อันนี้มันไม่ปรุงแต่งแต่มันก็ได้มันแจ้งอ่ะเขาเรียกว่ารู้แจ้งรู้แจ้งมันก็ ก็เลยได้แต่รู้แจ้งพอได้รู้แจ้งอย่างนี้มันก็มันเหมือนกับว่าทุกอย่างทํางานเองหมดเลยความประดแต่งก็ประดแต่งของมันรู้ก็รู้ของมันไปนะมันก็ข็พ้นแต่เรื่องเนี้ยมันเป็นเรื่องของคือโอเคแหละมันเฉพาะตัวนะหมายความว่าโยมเนี่ยได้ผ่านขั้นตอนของการที่ไปติดเนาะไปติดวิญญาณนักขันที่เป็นเราเรารู้อย่างนั้นแล้วก็พอมาหลุดเสร็จแล้วเนี่ยมันก็จะเข้าใจไปเลยทะลุไปเลยแล้วมันมันไม่เป็นอย่างเก่าละมันก็ว่า ทุกอย่างมันเปลี่ยนไปหมดเลยนะเป็นชีวิตที่เปลี่ยนไปนะแล้วก็พอรู้มาถึงขั้นนี้เสร็จแล้วเนี่ยมันจะไปพูดเรื่องเก่าเรื่องเดิมมันก็รู้สึกว่ามันมันเนิ่นช้ามันยังไงไม่รู้ก็เลยเหมือนกับมันจะถ้าจะให้พูดก็คือจะถนัดในระดับเพดานอย่างเงี้ย ค, คือพูดในเรื่องนี้เรื่องนี้แต่ก็ทีนี้ที่เหลือก็คือโอเคประโยชน์ตนนะได้ทำสำเร็จแล้วประโยชน์ท่านก็ทำยังไงมีอุบายยังไงในการพูดเพื่อที่จะถ่ายทอด ให้คนอื่นเข้าใจตามเนาะในสิ่งที่คนอื่นไม่รู้เหมือนกับพระพุทธเจ้าอย่างนี้นะท่านก็มีปัญญามาก เ, าเขาเรียกว่าบรรลุธรรมขั้นสูงจนกระทั่งแบบไม่มีภาษาพูดแต่สุดท้ายท่านก็ต้องเอาภาษาพูดภาษาสมมติภาษาบัญญัติก็มาพูดมาพูดมาพูดจนกระทั่งว่าเออทำให้มีมีผู้มีดวงตาเห็นธรรมเห็นตามก็เยอะแยะมากมา ย, นะยางั้นก็ค่อยค่อยเรียนรู้ว่าต่อไปเราจะ ช่วยคนอื่นยังไงอะไร <c oughs> เดี๋ยวมันก็มีประสบการณ์จากการได้พูดได้คุยได้ถามนี่แหละเพราะว่าหลวงพ่อเองบางทีก็อาศัยประสบการณ์จากการที่ได้พูดนี่แหละบางครั้งได้พูดไปพูดมาปับ๊บ เ, เราก็เห็นปัญหาของแต่ละคนแต่ละคนเกามีปัญหาบางคนเนี่ยเขาเขาเหมือนกับว่าเขาเข้าใจตรงนี้ไม่ได้อ่ะแต่เขาจะเอาจะให้เข้าใจจากการถามการตอบแล้วการตรงนั้นแหละแต่ที่นี้บางทีหลวงพ่อตรงนั้นหลวงพ่อก็ไม่ไหวก็วรู้สึกว่า มั น, ม, นมันพูดไม่ได้ไงเราพูดไม่ได้ยิ่งพูดมันยิ่งยาวยิ่งปรุงยิ่งยิ่งเขาเรียกว่าไม่ได้แก้ที่เหตุพอไม่แก้ที่เหตุมันก็เนิ่นช้าเนิ่นช้าหลวงพ่อก็ตัดบทเหมือนกันบางครั้งบางค่าวบอกอย่าไปรู้มันเลยแต่สิ่งที่รู้เนี่ยต้องรู้จักตัวเองซะก่อนว่าตัวใครเป็นคนถามใครเป็นคนพูดใครเป็นคนสงสัยเนี่ยให้รู้จักตรงนี้ก่อนเพื่ออะไรก็เพื่อให้มันเข้าใกล้ขึ้นเพราะการที่รู้จักตัวเองเนี่ยนะ รู้กายรู้จิตเนี่ยมันใกล้มันใกล้ขึ้นมาเพราะอย่างน้อยก็ทําให้ได้วางในสิ่งที่ถูกรู้ไปก่อนว่าอ๋อร่างกายเป็นสิ่งถูกรู้อ๋อวางไม่เอาไม่ยึดไม่ถือเพราะว่ามันเป็นสังขารมีเที่ยงเป็นทุกข์เป็นนัตตาเรื่องจิตเรื่องความรู้สึกนึกคิดอารมณ์ต่างๆอรู้จักมันแล้วก็อ๋อวางมันก่อนเมื่อฝึกวางบ่อยๆเนี่ยใจมันก็มีปัญญามากขึ้นถอดถอนถอดถอนไม่ยึดไม่ยึดไม่ยึดกลายเป็นแล้วสิ่งถูกรู้ทั้งหลายไม่ยึด ทีนี้ต่อมาก็มาพัฒนาอีกให้พบผู้รู้ใครเป็นคนรู้เรื่องนั้นใครเป็นคนรู้เรื่องกายใครเป็นคนรู้เรื่องจิตใครเป็นคนรู้เรื่องอารมณ์ถามมาถามไปสุดท้ายก็กูรู้เมื่อรู้กูเมื่อรู้กูก็วางกูไงว่ากูจริงๆมันก็ไม่ได้มีอยู่จริงมันก็เป็นแค่สังขารปรุงแต่งเหมือนกันก็เลยพบผู้รู้พอพบผู้รู้วางผู้รู้เมื่อวางผู้รู้มันก็จบพอจบตรงนี้มันได้ทางแล้วนี่ว่าโอ้ อะไรอะไรที่มันเป็นรู้ทั้งหลายเนี่ยที่ไปรู้นั่นรู้นี่เนี่ยไอตัวนี้ไอตัวแสบที่ไปเรื่องรู้ธรรมะไปเรื่องรู้อนิจจังทุกขังอนัตตามันเป็นตัวแสบมากเพราะว่ามันเป็นมันเป็นตัวที่รู้ได้ยากหมายความว่าปัญญาที่จะให้แจ้งต่อสิ่งนี้มันยากเพราะว่ามันเข้าไปเป็นผู้รู้เสียแล้วทำยังไงก็เอาไม่ออกแต่ว่ามันไม่เกินวิสัยถ้ามีคนมาชี้บอกว่าเอ้า ใช่ยังมีเรารู้เนี่ยก็รู้เราเดี่ยว่าไอเราจริงๆมันไม่มีหรอกแต่ว่ามันมันแค่เป็นความหลงยึดถืออ่ายึดถือรู้มาเป็นเราเพราะฉะนั้นเมื่อรู้รู้ไอตัวหลงน่ะมันก็ทําให้หายหลงได้เพราะฉะนั้นพอพบตัวเองบ่อยๆว่าตัวเองยังยึดถือสิ่งใดอยู่ยึดถือในรู้เช่นรู้ธรรมะรู้นั่นรู้นี่รู้อนิจจังทุกขังอนัตตารู้สังขารรู้วิสังขารเออมันยังมีเราเป็นผู้รู้อยู่แค่เนี้ก็จะพบทําลายมันก็วางไปหมดไปหมดไปหมดไป แล้วก็ต่อมานี่มันก็จะพัฒนาตรงนี้อย่างเร็วมากเลยอย่างเร็วมากเลยหมายความว่าพอมันเกิดตัวรู้ขึ้นมาเมื่อไหร่ปั๊บมันเห็นทันทีเลยแล้วก็หมดไปหมดไปเนี่ยพัฒนาสุดท้ายมันไวมันมีแต่ความไวนะมีแต่ความไวคือไม่ต้องไปทําอะไรแล้วเพราะว่าเหมือนกับอะไรเกิดปั๊บมันมันเห็นไปเลยอ่ะเห็นไปเลยเห็นไปเลยกลายเป็นว่าสิ่งใดที่เป็นสิ่งถูกเห็นทั้งหมดมันแคเป็นแวบแวบแว๊บแวบแบแว๊บแลอดไปนะจนกระทั่งว่าไม่ต้องทําอะไรแล้วแล้วก็แค่นั้นแหละเพราะว่า ไอสิ่งเกิดดับมันก็มีให้เห็นอยู่ตลอดอะนะเนาะความคิดความรู้สึกความรู้อะไรมากมายมันก็เห็นว่าแบบแบบผ่านไปผ่านไปนะตรงเนี้ยมันเป็นเป็นลําดับของของผู้ปฏิบัติธรรมที่ที่เห็นมาเป็นก็เรียกว่าเป็นปัจจตังเนาะแต่ก็สามยิ่งถ้ามันยิ่งแจ้งยิ่งชัดก็สามารถที่จะหยิบยกขึ้นมาอธิบายยกตัวอย่างประกอบเพื่อให้คนอื่นได้เห็นตามได้ง่ายขึ้น แต่ว่าถ้าเห็นแล้วรู้แล้วแต่ยังไม่ชำนาญเนี่ยมันเหมือนกับว่ายังพูดเป็นภาษาของตัวเองไม่ได้อันนี้ก็เดี๋ยวมันก็ค่อยๆพัฒนาไปเองมันเพราะระหว่างในที่มีชีวิตอยู่ในชีวิตประจำวันเนี่ยมันจะมีสิ่งพวกนี้ปรากฏให้รู้ให้เห็นจนกระทั่งว่ามันใช้เป็นภาษาพูดของตัวเองได้อางเนี้ยมันก็สามารถที่จะบอกต่อคนอื่นได้อีกทีนี้เดี๋ยวมี มีใครจะขึ้นมาพูดคุยสอบถามนะเรื่องนี้มันเป็นเรื่องของความพ้นทุกข์ในปัจจุบันเพราะว่าเพื่อเป็นไปด้วยไม่ความเนินช้าคือรู้เดียเด๋ยวนี้พ้นทุกข์เดี๋ยวนี้รู้เดี๋ยวนี้พ้นทุกข์เดีย๋ยวนี้หลวงพ่อมาลองสังเกตนะบางครั้งบางคราวเนี่ยจริงๆถ้าให้พ้นทุกข์ในปัจจุบันเนี่ยมันมันมันไม่ยากเพียงแต่ว่าถ้าขณะใดที่เราฟังเนี่ยให้เราฟังฟังไปฟังไปแล้วก็มีความรู้สึกตัวนั่นแหละคือฟังไปฟังไปแล้วก็เห็น เห็นเห็นตามความเป็นจริงตามที่ผู้อธิบายกำลังพูดอยู่หรือว่าเห็นตัวเองเห็นทำความเป็นจริงนะเช่นเห็นตัวเองนั่งตัวเองพูดตัวเองคิดในใจเนี่ยเห็นแต่ก็ไม่ต้องไปทำอะไรทักอย่างแด่แต่เห็นเห็นเห็นเห็นเห็นเห็นไม่เข้าไปแทรกแซงเนี่ยมันจะเกิดมันคือจิตเนี่ยมันจะเป็นสมาธิเป็นจะมีสติมีสมาธิมีปัญญาในตัวเสร็จสับหมดเลยมันก็จะเข้าใจเลยว่าโอ้แค่รู้แบบนี้ แค่รู้แบบนี้เนี่ยมันพ้นทุก์ได้จริงแต่ส่วนใหญ่ที่พ้นทุกไม่ได้เพราะอะไรอ่ะเพราะว่าจิตมันไม่ตั้งมั่นจิตไม่มีสมาธิพอไม่มีสมาธิมันก็ไม่มีปัญญาที่ไม่มีสมาธิเพราะว่าอะไรจิตปรุงแต่งแต่ไม่รู้ไม่เห็นจิตเนี่ยมันคือมันมันพูดมันคิดอยู่ในใจอยู่ตลอดเวลาแต่ไม่รู้ไม่เห็นมันก็เลยทําให้ไปบดบังความจริงนะแต่ถ้านั่งฟังไปเรื่อยฟังไปเรื่อยเนาะยิ่งฟังไปแล้วก็ ให้เห็นให้เห็นตามความเป็นจริงในขณะปัจจุบันเลยอ่ะมันจะรู้เลยว่าโอ้ทุกอย่างมันมีแต่สังขารที่ปรากฏค่ะมันมีแต่สังขารเท่านั้นนะที่กำลังปรากฏอยู่เนาะความคิดความรู้สึกอารมณ์ต่างๆโอ้มันเกิดเองดับเองหมดเลยมันเป็นเองหมดเลยไม่มีใครไปทำอะไรมันเลยเห็นอยู่อย่างนี้เห็นอยู่อย่างนี้จนกระทั่งมันมันสงบมันเงียบมัน มันโอ้โหมันหยุดความปรุงแต่งไปเลยแต่ความปรุงแต่งไม่อยู่แต่มันหยุดก็หมายความว่า ห, ญหญยุดหยุดหลงยึดถืออนะเออหยุดหลงยุดถือหยุดที่จะไม่เข้าไปเป็นอะไรทั้งหมดเลยเห็นอยู่รู้อยู่เห็นอยู่รู้อยู่อย่างเนี้ยมันบรรลุทําได้ขนาดปัจจุบันที่ฟังเลยอ่ะเออลองลองเอาตรงนี้ลองไปทดลองก็ได้ระหว่างที่เราฟังใครก็ได้ไม่ว่าจะระดับไหนพูดธรรมะให้ฟังแล้วก็ฟังอย่างเดียวแล้วก็สังเกตใจตัวเองไปนะสังเกต ว่ามันมีอะไรยังสังเกตอ่ะแบบสังเกตแบบแบบไม่ใช่ว่าไปเขี้ยวเข็นอะไรเหมือนกับสังเกตก็คือคล้ายๆว่าประมาณว่าเ อ, อกําลังดูหนังดูละครอะที่เขาพูดกันนั่นเนาะสังเกตในจิตในใจตัวเองอ่แล้วก็อย่าไปเป็นผู้แสดงอะไรก็สังเกต ม, ม, มันมันก็จะเห็นเห็นๆเลกจะเข้าใจธรรมะอย่างไม่ยากเลยนะก็อันนี้ก็เหมือนกับเชิงแนะนําจากประสบการณ์สวัสดี อ, อ, อเดียนนะครับก็หลวงพ่อเมตานะให้ วันนี้หลวงพ่อมาเปิดห้องอะนะครับซึ่งท่านหลวงพ่อติดภารกิจเยอะแยมากมายวันนี้ก็มีโอกาสที่ดีนะครับที่หลวงพ่อเปิดห้องให้ก็เรียนเชิญ น, นะครับเอ่ อ, อ, อเดียนท่านใดสนใจจะมาสวนนาธรรมหลวงพ่อหรือว่าปฏิบัติยังไงมานะครับติดอะไรหรือว่ามีข้อสงสัยใดๆขึ้นมาสักถามหรือมาเล่าสภาวะก็ได้นะครับก็ขอเรียนเชิญ น, นะครับโอกาสพี่กระแตมีอะไรจะแชร์ไหมคะเห็นพี่กระแตเข้ามาคะ่ะสวัสดีค่ะ ได้ยินไหมคะชัดเจนครับได้ยินค่ะสวัสดีค่ะพี่พ่ห้างไม่เพิ่งจะเข้ามาก็เลยไม่ทราบว่าจะอ่ากล่าวธรรมสการของพ่อเจ้าค่ะอ่าว่าไปเลยนะหลวงพ่อฟังหน่อยก็เป็นผู้ปฏิบัติก็ ยังไม่ทราบว่าจะไม่ทราบว่าคุยเรื่องอะไรกันก่อนนะคะเพราะเพิ่งเข้ามาค่ะก็เลยไม่ไม่ทราบว่าขออการพี่แตจ้าพระหลวงพ่อท่านพูดเรื่องมีสติรู้ตัวนปัจจุบันนะคะพี่แต่ก็ฝึกตามหลวงพ่ออยู่ค่ะก็ฝึกเหมือนกับที่หลวงพ่อท่านท่าน สอนมาค่ะก็เหมือนกับก็ไม่ไม่ถึงกับว่าทันนะคะก็แต่ว่าแค่จะเล่าเหมือนกับเหมือนเล่าประสบการณ์ดีกว่าเนาะเพราะว่าแต่ถ้าเกิดปัจจุบันนี้ก็คือทันมากไม่ทันมั่งนะคะก็ไม่ถึงกับว่าลงรู้หลมรู้ะคะ่ะถ้าจะก็เหมือนกับ ไม่ยังยังยังตั้งตัวไม่ทันะคะก็จะเอาแค่ว่าประสบการณ์ว่าเหมือนกับเดี๋ยวขอขอขอผ่านไปก่อนได้ไหมคะเพราะว่ายังยังตอนนี้ยังยังนึกยังยังยังนึกไม่ออกว่าจะคุยอะไรค่ะอ่าก็ลองพิจาณาดูเนาะ ยังนึกไม่ออกว่าจะเป็นะพ่อ ม, มีอะไรหลวงพ่อขอขอโอ ก, กาสหลวงพ่อมีอะไรมีอะไรแนะนำบ้างคะอ่านะอย่างสมมุติที่บอกว่ายัางนึกอะไรไม่ออกคนุนอาหลวงพ่อจะมีอะไรแนะนําบ้างเนะตรงนี้ให้พิจารณาดูว่าความความที่บอกว่าพูดไม่ออกพูดอะไรเงี้ยมันเป็นใคร คนที่พูดไม่ออกเนี่ยคนนี้มันเป็นใครคนที่ขอว่าเออหลวงพ่อจะแนะนําอะไรบ้างคนที่ขอเนี่ยเป็นใครที่หลวงพ่อพูดแบบนี้ก็เพื่ออะไรก็เพื่อให้เกิดความระลึกนึกได้ขึ้นมาว่าอ๋อยังมียังมีตัวเราเป็นผู้เป็นผู้นึกไม่ออกเป็นผู้ขอทีนี้ถ้ารู้ว่าอ๋อไอตัวเนี้ยมันเป็นตัวเราเนี่ย ก็ให้ทำความเข้าใจด้วยปัญญาจากการคำเนี่ยได้ยินได้ฟังจากผู้ชี้แนะเนี่ยท่านบอกว่าไอตัวที่อบอกว่าพูดไม่ออกพูดไม่ได้แล้วก็มีอะไรคามีหลวงพ่อจัแนะนำอะไรให้หนูฟังอะไรเงี้ยตรงนี้ให้พึงเข้าใจแล้วก็ไปโยนิโสเหมือนก็ทําทความเข้าใจได้ยว่าอ๋อไอตัวนี้ไงที่เขาเรียกว่าตัวเรา รู้จักตัวเราเพื่ออะไรเพื่อให้เห็นว่าไอ้ตัวเราตัวนี้ตัวที่พูดได้ตัวที่มีความอยากจะได้คําแนะนำตัวนี้มันเป็นสังขารปรุงแต่งเมื่อรู้แล้วเห็นแล้วก็พึงอย่าไปหลงยึดถือว่ามันเป็นตัวเราจริงๆให้เข้าใจด้วยปัญญาจากคําชี้บอกนี่แหละว่ามันเป็นแค่สังขารที่เกิดขึ้นในขณะจิตหนึ่งแล้วมันก็หมดไปนะ จริงๆตรงนี้มันมีความสำคัญมากเลยเพราะจริงๆเนี่ยมันหลงคือเวลาเราพูดไปเราไปเนี่ยคือมันลืมข้อนี้ไปไงพอลืมข้อนี้ปั๊บก็เลยไม่เห็นตัวเองพอไม่เห็นตัวเองปั๊บมันก็ความเป็นตัวเองก็ยังดำลงอยู่แต่ก็ยังไม่เห็นอีกแต่ถ้าเห็นเมื่อไหร่ปับ๊บโอ้มันก็เกิดสติปัญญาขึ้นมาว่าจริงๆมันก็เป็นแค่สังขารที่เกิดแล้วก็หมดไปอันนี้เป็ น, ปนคำที่หลวงพ่อเป็นภาษาพูดอธิบายอะเนาะแต่เวลาภาคปฏิบัติจริงก็ เอาสิ่งที่ได้ยินได้ฟังเนี้ไปไปไปโยนิโสไปสังเกตความสังเกตเหล่านี้สังเกตบ่อยๆแล้วก็มันก็จะมีความชํานาญมากขึ้นพอมีความชํานาญมากขึ้นเวลามันเกิดอาการเหล่านี้เกิดขึ้นมันก็จะรู้เร็วละเร็วรู้เร็วละเร็วนะแต่ถ้าถ้าสมมติตรงเนี้ยหลวงพ่อไม่บอกใช่ไหมพอไม่บอกเสร็จเอา้ามันก็กลายเป็นไม่รู้ไม่รู้จักตัวเองพอไม่รู้จักตัวเองเสร็จอีตรงเนี้ยมันเป็นอวิชาอยู่ใช่ไหมเออ กี่วันหนึ่งเดือนสองเดือนก็ยังไม่โลดอีกมันก็เป็นอวิชาไปเรื่อยแต่ถ้ามีการบอกแล้วก็เข้าใจขึ้นมาในปัจจุบันมันก็จะดับอวิชาได้ในขณะจิตหนึง่งมันจะดับไปอันเนี้สําคัญมากคือจริงๆอย่างเนี้ยหลวงพ่อยกตัวอย่างประกอบนะบางทีก็อาศัยประสบการณ์นี่แหละมีอยู่คราวหนึ่งเนาะหลวงพ่อไป จริงๆเออไม่อยู่ข้าวหนึ่งเนาะอาจารย์กำพลอาจารย์กำพลทองบุ ญ, บญนุ่นเน่ยบุญอาจารย์กำพลทองบุญนุ่มนะท่านก็เป็นสิทธิ์สิทธิ์ทางสายหลวงพ่อเทียนสิทธิ์หลวงพ่อคำเขียนซึ่งท่านก็เป็นอมพืชอมภพาดนั่งไม่ได้เดินไม่ได้อะไรเนี่ยเป็นคนพิการนะแล้วก็ท่านก็มักจะไปได้รับการเชิญให้ไปแสดงธรรมที่นู่นที่นี่เนาะโดยที่มีคนคอยช่วยช่วยอุ้มช่วยช่วยยกอะไรก็แล้วแต่ มีโยคะหนึ่งที่วัดป่าสุก โ, โตนี่แหละตอนนั้นท่านมานี่พอดีไม่ใช่แต่ที่ไหนไม่รู้เจ็บหลงทานองอย่างนี้ว่าหลวงพ่อเนี่ยเข้าไปถามอาจารย์กําพลว่าคือทีเ่เข้าไปถามเพราะว่าอาจารย์กําพลนี่ก็คือเป็นทั้งผู้สแสดงธรรมเนาะเป็นผู้ที่เขาบอกว่าเออเป็นผู้ถึงธรรมแล้วก็บรรยายธรรมะได้เก่งอ่หลวงพ่อเขาถามอาจารย์กําพลบอกว่าอาจารย์กําพลในระหว่างเดินทางเนี่ย อาจารย์ต้องประสบปัญหากับร่างกายแบบเนี้ยต้องให้คนนูน้นคนนี้คอยช่วยยกช่วยหามช่วยอุ้มมันมีมั่งไหมที่อาจารย์รู้สึกว่าไม่พอใจอันนี้สิ่งที่หลวงพ่อไปถามอาจารย์กำพลเนาะอาจารย์กำพลแล้วก็ไม่ไม่พูดอะไรแต่ว่ามองหน้าหลวงหลวงพ่อมองบุ๊บหลวงพ่อเห็นเลยว่าโอ้อาจารย์กำพลไม่พูดสักคํานึ่ง แล้วหลวงพ่อก็เกิดการระลึกได้ขึ้นมาเองว่ามีตัวหลวงพ่อเป็นผู้อยากรู้เรื่องอาจารย์กำพลคือเห็นตัวเองเลยว่าอ๋อมั น, ม, น, ม, น ม, มีตัวเราเป็นผู้อยากรู้คนอื่นพอแค่ระลึกได้ขึ้นมาว่ามีตัวเราเป็นผู้อยากรู้คนอ e ื่นปั๊บมันคือมันเห็นตัวเราอ่ะเห็นตัวเองขึ้นมาพอเห็นตัวเองปั๊บหลวงพ่อแบบหยุดนิ่งไปเลยคือไม่มีคาถามอีกแล้วแล้วมันเข้าใจอย่างลึกซึ้งเลยว่าเราอะหลง หลงไปอยากรู้เรื่องคนอื่นแต่จริงๆเ่ยมันต้องรู้เรารู้เราคือรู้แบบไหนคือรู้ว่าไอเราเนี่ยที่เป็นผู้ถามเขาเนี่ยไอตัวเนี้ยเป็นสิ่งที่พระพุทธเจ้าท่านสอนให้รู้คือรู้เราพอรู้เราอย่างเนี้ยมันเข้าใจแบบแทงตลอดเลยว่าการรู้เราเนี่ยมันพ้นทุกข์อยู่ที่รู้เราตรงเนี้ยรู้ว่าไอเราที่เป็นผู้อยากรู้เขาไอตัวเนี้ยเป็นสิ่งที่รู้ได้ยากเป็นสิ่งที่เห็นได้ยากแต่เมื่อรู้แล้วเห็นแล้วเนี่ยก็เท่ากับว่า ต้องปล่อยสลัดวางคือวางมันไปเสียว่าจริงๆอันเนี้ยมันเป็นแค่สังขารมันไม่ใช่ตัวเราจริงๆก็เลยทำให้รู้เราได้อย่างแบบคมชัดมากเลยแล้วพอหลังจากนั้นมาเนี่ยโยมรู้ไหมว่าเกือบจะเรียกว่าแบบเกือบร้อเอร์เซนต์เลยทุกครั้งที่เวลาอยากถามคนนู้นคนนี้ถามที่มันเป็นเรื่องที่มันไม่จำเป็นเกี่ยวกับที่เราต้องรู้อ่ะพอจะถามปับ๊บมันรู้ตัวทันทีเลยว่าอ่า อยากจะไปถามอีกแล้วเช่นไปถามคน s, คนั้นคนนี้ว่าเป็นยังไงมันก็รู้ตัวอีกแล้ววา่าอยากจะถามอีกแล้วแล้วมันก็ไม่ถามมันเป็นตัวหยุดเป็นตัวสกัดไม่ให้หลงไปที่จะให้มีตัวเราต้องไปไปรู้เรื่องอย่างอื่นเพราะมันเห็นว่าสิ่งเหล่านั้นถึงรู้ไปมันก็ไม่ได้เป็นไปเพื่อความ พ, พ้นทุกข์ไม่ได้เป็นไปเพื่อการออกจากทุกข์มันก็เลยหยุดพอหยุดปับ๊บมันก็เหมือนกับมันเบรกกันเนาะเบรกไม่ให้ทาไม่ให้ถาม เนี่ยทุกวันเนี้ยทุกวันนี้มันยังยังไอตัวนี้ยังมีอยู่เลยเพราอจะถามอะไรบางเรื่องที่มันไม่เกี่ยวกับเรื่องความพ้นทุกข์มันหยุดเลยหยุดหยุดเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่ได้มีใครมาชี้แนะสักครั้งหนึ่งไม่ว่าชี้แนะจากการบอกอย่างที่หลวงพ่อบอกโยมหรือว่าไม่ได้อ่าหรือว่าได้รับการชี้แนะด้วยการไม่ต้องใช้คําพูดแต่ด้วยการแบบให้สัญญาณว่าเออมีบางสิ่งบางอย่างนะที่เราทําไปนะเราหลงไปเราลืมไปนะ ไอ้ตรงนี้มันจะทําให้เกิดความจําได้หมายรู้ขึ้นมาว่าต่อไปเนี่ยเวลามันมีพฤติกรรมแบบนี้มันก็จะรู้เท่าทันไอการรู้เท่าทันแบบนี้แหละเนี่ยคือเป็นความไวเป็นความเร็วของสติปัญญาที่จะก็เรียกว่าดับอวิชชาหรือว่าปราหานกิเลสที่มันมีในขณะปัจจุบันนั้นๆอันนี้ก็เป็นอย่างนี้มีหลายครั้งเนาะที่บางทีโยมถามโน่นถามนี่หลวงพ่อก็แบบเมวกหัวทิมบักฟิดไปเลย ก่อนที่หลวงพ่อจะตอบหลวงพ่อบอกว่าก่อนที่หลวงพ่อจะตอบตอบคำถามหลวงพ่อก่อนรู้ไหมใครเป็นคนถามรู้ไหมให้เจ้าตัวบอกก่อนว่าใครเป็นคนถามถ้าเขาบอกว่าผมเป็นคนถามหลวงพ่อก็จะชี้เลยว่าเออนั่นให้รู้จักตัวผมเสียให้รู้จักตัวเองเสว่าไอ้ตัวนั้นนะคือมันเป็นสังขารที่ปรุงแต่งในขณะปัจจุบันนั้นๆหัดรู้อย่างนี้หัดรู้อย่างนี้แต่ก็ไม่ใช่ว่าไม่ให้ถามนะคือถามได้คุยเป็นปกติ แต่มันมีประโยชน์ตรงที่ว่าเมื่อมีผู้ชี้บอกเนี่ยมันจะทำให้เกิดความจำได้ระลึกได้ขึ้นมาว่าโอมันมีตัวเราเป็นผู้อยากเป็นผู้อยากรู้อยากเห็นอยากได้อยากมีอยากเป็นพอรู้ตัวเราปั๊บนี่ตรงนี้คือมันเป็นหนทางคือเป็นทางที่จะพ้นจากตัวเราได้มันจะพ้นจากตัวเราได้ต่อเมื่อเห็นเรามันก็จะพ้นเราจริงๆอาการเห็นเนี่ยมันพ้นจากทุกสิ่งไม่ว่าจะเห็นอะไรมันก็พ้นหมดเห็นทุกมันก็พ้นทุก เห็นสุขก็พ้นสุขเห็นความโกรธก็พ้นจากความโกรธเห็นความโลภก็พ้นจากความโลภเห็นอะไรก็พ้นจากทุกสิ่งที่มันที่ที่มันที่เป็นสิ่งถูกเห็นนะเพราะฉะนั้นการที่เห็นตัวเราเท่ากับว่าพ้นจากความเป็นต yes. ัวเรามันพ้นไปไหนคือมันไม่ต้องไปไหนหรอกคือมันไม่เป็นตัวเราคือมันพ้นอ่ะมันหลุดแล้วก็มันพ้นนะอ่านี่ก็หลวงพ่อก็ขยายความมาถึงถึงขั้นนี้ ขอบคุณมากค่ัหลวงพอ่อแต่เข้าใจได้ไหมอ่าสอบหลวงพ่อก่อนว่ายังไงก็ก็เขาเขาเข้าใจได้คะ่ะเพราะว่าเหมือนกับว่าที่หลวงพ่อเล่ามาก็มีตัวมีตัวโยมที่ถามหลวงพ่อว่าเหมือนกับว่าอีตัวนี้ยมันมันรู้รู้ไม่ทันนะคะมันเหมือนกับเอาตัวสังขารไป ตัวตนไปถามหลวงพ่อเจ้าค่ะโอเคสาธุนะก็ก็มีอยู่ครั้งหนึ่งค่ะหลวงพ่อก็เมื่อหลายปีที่แล้วอะค่ะเคยอันนี้ขอเล่าประสบการณ์นะคะว่ายังไงก็เออมันมันเหมือนอยู่ครั้งหนึ่งขึ้นโต๊ะอะค่ะแล้วก็เอาไม้เอาไม้ไปกวาด อยากใหญ่ที่เพดานนะคะเสร็จแล้วลืมไปว่าขึ้นโต้ะคะ่ะพอลงมาเนี่เหมือนกับว่าเ น, นื่องว่ายืนอยู่เก้าอี้ะคะ่ะแล้วมันก็ตกลงมาพอตอนตกเนี่ยก็ตกใจะคะ่ะก็มันเหมือนกับว่ามีมีตัววิญญาณตัวหนึ่งแล้วก็ตัวสังขารกายหยาบแห่ตัวหนึ่งแล้วมันมีตัวมีตัวหนึ่งมารู้เราะคะ่ะหลวงพ่อ มันเวลามันตกลงมาเนี่ยมันเหมือนกับตัวอีกตัวเหมือนกับมันเหมือนเหมือนกับความรู้สึกเองค่ะว่ามีตัวหนึ่งมันออกไปตรงซ้ายมือเหมือนกับตัวตัววิญญาณมันออกแล้วก็ตัวกายนี่มันเบาแต่ว่ามันมันเหมือนก็มีมีตัวหนึ่งเมือมารู้เราว่ามันมันเหมือนกับมีสามตัวค่ะเวลาลงเนี่ย ขาตัวนี้มันจะรู้ว่าตัวอันไหนที่ไม่เจ็บมันก็จะเอาข้ามขวาเนี่ยเหมือนกับลอยลงไปอค่ะแต่ตอนตัวกระโดดตอนที่ลงไปเนี่ยมันเป็นตัวเบาค่ะมันก็เลยมาสังเกตว่าเออมันมันแล้วมีครูบาอาจารย์ท่านก็เลยแนะนำอะค่ะว่าก็เลยมาบอกท่านว่าทําไมมันเหมือนกับว่เห็นเราลอยอะไรเงี้ยมันก็เลยมารู้ได้ว่ามันมีตัวหนึ่งที่ ถูกรู้อะค่ะว่าตัวเราเนี่ยตกลงไปอะค่ะก็เลยได้เห็นชัดตรงนั้นนะการว่ามีผู้ถูกรู้ว่ามารู้เราว่าเราตกอะค่ะหลวงพ่อตั้งแต่นั้นมาก็เลยรู้ว่ามันมีผู้ผู้ผู้ผู้ดูผู้พู้ผู้ดูเราว่าเราทําอะไรหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะ มันได้เห็นชัดตรงนั้นนะคะหลวงพ่อก็ก็เป็นประสบการณ์นะเป็นประสบการณ์ที่รู้ได้เห็นได้นะแต่ว่ามันก็เป็นหลวงพ่อจะพูดเป็นภาษาแบบเพื่อให้เข้าใจแบบโลกโลกก็คือว่าโอเคเป็นสิ่งที่เคยเกิดเป็นสิ่งที่เคยเห็นเจ้าค่ะเคยเกิดเห็นแล้วเนาะอ่าแต่ปัจจุบันเนี่ยมันยังมีเราเป็นผู้รู้เรื่องเหตุการณ์นั้นอยู่ ในหลวงพ่ถึงปัจจุบันอ่ามีเราเป็นผู้ผู้จําได้เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นว่ามีอะไรเกิดขึ้นมีเราเป็นผู้รู้ทีนี้ถ้าจะพ้นทุกข์ในปัจจุบันก็คือว่ารู้เราเดี๋ยวนี้แล้วก็เห็นว่ารู้เราเดี๋ยวนี้เลยก็จบแล้วเนาะเจ้ะสาธุทานเป็นอย่างนี้เลยสาธุกลับขอบพระคุณค่ะหลวงพ่ออารมณีนิชามีอะไรจะช่วยหลวงพ่อวางอ่ะค่ะขออนุญาตค่ะ อที่หลวงพ่อท่านพูดมาจริงจรทุประการนะคะเพราะว่าอที่พูดไปเมื่อก่อนนี่คือความละเอียดอาจจะฟังดูงงเพราะว่าอส่วนตัวไปดูจิตมาเยอะมากมากเลยคือไม่ได้ไม่ได้สนใจเรื่องอื่นเลยค่ะในชีวิตดูจิตอย่างเดียวก็เลยดูแบบละเอียดถี่ถ้วนมากว่ารู้มันเกิดเมื่อไรอะไรมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่จริงๆอ่ะที่สําคัญคืออเ่อ เราต้องถามคําถามว่ามันมีเราเกิดขึ้นมาณปัจจุบันหรือเปล่าเพราะว่าเอาอย่างที่หลวงพ่อท่านบอกว่าเวลามีเราเกิดขึ้นแล้วลึกได้อ่ะ๋อนั่นคือเรารู้นี่เองเรารู้เรารู้นี่คือคําถามที่สําคัญที่สุดเท่าที่เราเคยได้ปฏิบัติมานะคะเพราะว่าถ้าถ้าไม่มีคําว่าเรารู้หรือใครคําถามที่ว่าใครเป็นผู้รู้นี่ ใครอ่ะเนี่ยสมมติโดนใครด่านะคะใช้ชีวิตประจําวันเนี่ยแหละค่ะที่จะไปดูอย่างเงี้ยเพราะว่าหนุ่มเราจะไม่แบบนั่งสมาธิอะไรเลยจะแบบใช้ชีวิตประจําวันในการดูจิตดูดูธรรมชาติทุกอย่างอะค่ะก็เลยเวลาใครว่าเราอย่างเงี้ยเราก็สังเกตณปัจจุบันตอนตอนณตอนนั้นเลยนะคะโอ้เราโผล่ขึ้นมาละโอ้เรารู้สึกโกรธอ่าทําไมโกรธอ๋อเขาด่าเราเราอ่าถ้าถ้าถ้าถ้าถ้าเขาแค่ ด่าล่ะแล้วมันจะมีเราโกรธหรือเปล่าหรือว่ามันจะมีแค่กโกรธอย่างเงี้ยค่ะเราเราสังเกตเองได้เลยว่าความเป็นเราเกิดขึ้นมาถ้าเรามีสติระลึกตรงนั้นณณตอนนั้นจับความเป็นเราได้ไม่ได้ว่าจับเหมือนแบบจับอย่างนั้นเพ่งไม่ใช่นะคะเหมือนเราระลึกได้ว่ามีเราอ่ะเกิดขึ้นมาณตอนนั้นเนี่ยเราก็จะเห็นความจริงของมันได้ว่าโอ้ความเป็นเรามันเกิดขึ้นมาตลอดเลยที่ที่ที่เออ่ที่ที่ยังมีความเป็นเราอยู่เนี่ยค่ะซึ่งมันมันมาตั้งแต่เกิดอยู่แล้ว อ่าแต่เราไม่เห็นมันนะคะเราเราหลอมไปกับอารมณ์ต่างๆทุกครั้งเลยแต่ถ้าพอเราเราสังเกตมันเรื่อยๆสังเกตที่ต้นเหตุเลยะคะ่ะไม่ใช่ปลายเหตุเราเราเราเราพอเราเห็นแล้วนั่นเป็นตัวถูกรู้ไปแล้วนะความโกรธอะไรเราเรากลับมาสังเกตที่ต้นเหตุเลยะคะ่ะอ๋อเรากโกรธแล้วแล้วใครรู้ว่าเราเรารู้อ่ะอ๋อเรารู้ มันไม่ได้มีจิตที่ไปรู้อะไรหรอมันมีความเป็นเรานั่นแหละคะ่ะที่ไปรู้อะไรอย่างเงี้ยความเป็นเราเวลาเราถามคําถามอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะคะหนูเอ่อเราใช้เวลาสองวันเอ่อในการถามคํานี้คะ่ะตั้งแต่ตั้งแต่ฟังว่าจาะ๊ะเนาะเราก็ไปถามเพราะว่าเราเป็นคนขี้สงสัยไงเราจะไม่อยู่เฉยอ่ะค่ะเพราะว่าใครพูดอะไรมาต้องมานั่งคิดละนั่งถามละคะ่ะเออเนาะอะไรอย่างเงี้ยกล็ลองไปถามดูว่าเอา๊ะไ อ, อ้รู้ตั้งเยอะตั้งแย ะ, ยะละเอียดขนาดนั้นเนี่ย ใครรู้นะเราเข้าไปหามันไปจับมันเลยเหมือนไม่ได้ไปจับเพ่งนะคะแต่แต่ไปไปเข้าหามันเลยว่าใครกันแน่ที่รู้ทําไมต้องรู้ด้วยไม่รู้ได้ไหมคือทําไมฉันต้องรู้เยอะขนาดนี้อย่างเงี้ยค่ะ mm. ก็สองวันสองคืนลองลอ ง, ลองไปทําดูเราจําได้ว่าวันนั้นเป็นวันที่สิบสี่มีนาคมนะคะเนี่ยค่ะปีเนี้ย แล้วทั้งคืนเลยไม่ได้หลับอะคะ่ะเพราะว่าในในฝันเรายังไปถามคํถาถามเลยขนาดนั้นเลยเพราะว่าจิตมันตื่นอยู่มันมันพร้อมที่จะเข้าใจตรงนั้นแล้วพร้อมที่จะใช้คําถาม ล, ละตรงนั้นแล้วอะคะ่ะเราก็ทั้งคืนเลยใครรู้นะเออเราโอ้พอตื่นขึ้นมาเนี่ยนะคะมันไม่ได้คิดอะไรเลยมันระลึกได้เลยเขาว่าโอ้เรารู้ แสดงว่าเวลาเราถามว่าใครรู้นี่มันมีตัวที่ไปถามนี่แล้วพอเราลึกได้มันปิ้งขึ้นมาปัญญาบอกว่าโอ้ไอ้ผู้รู้กลายเป็นที่สิ่งที่ถูกรู้ไปแล้วนั่นไอ้ตรงนั้นมันมันมันมาตัดเลยค่ะมันมามวางเลยความความที่เป็นผู้รู้มาก่อนอย่างเงี้ยค่ะเพราะเวลาเราไปดูอย่างเช่นไปดูอาการต่างต่ะคะ่ะความโกรธก็ตามความอะไรก็ตามหงุดหงิดเลยมันจะเป็นสิ่งที่ถูกรู้ไปเลยถ้ามีผู้ดู มันก็จะวางของมันเองใช่ไหมคะแต่พอเราไปถามคำถามว่าใครดูใครดูใครรู้ใครรู้รรอ่ะมันจะมันจะลึกได้เลยว่าอมันมีอีกตัวหนึ่งนะที่ไปถะไปไปไปมองไปเห็นไอตัวผู้รู้อยู่ที่เป็นวิญญาณนะคเนี่ยพออะไรที่ถูกดูอ่ะถูกรู้มันก็จะวางไปมันก็จะเป็นสิ่งที่ถูก ดูถูกรู้ไปเลยเพราะฉะนั้นพอเราเห็นอีกตัวหนึ่งที่เป็นเป็นผู้ถามขึ้นมาทํำไปเรื่อยๆถามไปเรื่อยๆเนี่ยมันละเลิกเองในหน้าวันหนึ่งมันก็จะเห็นเลยว่าโอ้ในผู้ถูกรู้เนี่ยแต่ไม่ใช่ค่ะผู้รู้เนี่ยมันเป็นสิ่งที่ถูกรู้ไปแล้วและพออะไรที่เป็นสิ่งที่ถูกรู้มันก็จะวางของมันเองไม่ใช่หรออืมทีนี้มันก็คือการวางขันห้าโดยบริบูรณ์เพราะว่าเมื่อก่อนเราจะเป็นเอาเอาวิญญาณขันเนี่ยไปวางขันทั้งสี่ มืนถึงว่าเราเป็นผู้รู้ล้วไอ้ผู้รู้นี่ก็คือมารู้ที่หลังนะคะหนูไม่ได้รู้มาก่อนภาษาบาลีไม่ถนัดมารู้ที่หลังว่าโอ้เมื่อก่อนนี้เราเอาผู้รู้ไปดูตากาลต่างๆนี่มันไม่ใช่วางทั้งหมดนะอ่าพอพอเราพอพ อ, พ อ, พอไอ้ผู้รู้เป็นสิ่งที่ถูกรู้ไปแล้วเนี่ยมันจึงมีการวางทั้งหมดของขันห้านั่นเองณนะเวลานั้นเลยะคะ่ะเราก็เลยเข้าใจคําที่ที่ อาพระอาจารย์บอกว่าอ๋อต้องไปถามต้องต้องไปถามนั่นมันเป็นจุดสําคัญจุดสําคัญหนึ่งเลยค่ะที่ออกจากความเป็นผู้รู้ได้คือการวางขันห้าทั้งขันห้าเลยทั้งหมดเลยไม่ได้จับเป็นผู้รู้แล้วอย่างเงี้ยค่ะและและโล่งว่างเบาสบายเพราะว่าเราเข้าใจว่าเอ๋อเราทั้งผ่านที่ผ่านมาเราไปยึดผู้รู้ไว้เป็นเรา ตลอดแล้วคิดว่าเราไปวางทุกอย่างได้อ่ะแต่มันไม่ใช่คือมันมีเราเป็นผู้รู้อยู่ซึ่งไปดูอาการต่างๆไปวางอาการมีการกระทําจากเราอยู่เสมอมาพอเราออกมาจากความว่าเป็นผู้รู้ผู้ดูผู้เห็นอะไรก็ตามเนี่ยมันหน้าที่ของจิตมันก็จะไม่มีค่ะเหมือนว่าเราไม่ได้มีหน้าที่ดูรู้รแต่มันรู้อยู่นะคะ่ะมันทําหน้าที่เหมือนเดิมแต่ไม่มีเราเป็นผู้รู้มีแต่รู้เหลืออยู่เท่านั้นนะคะ ก่อนจะพักฉันเพลนก็คุยสักนิดหนึ่งธรรมะจริงๆมันก็มีลำดับขั้นนะลำดับขั้นคือขั้นแรกเอาความหลงเนี่ยความเป็นตัวตนความเป็นอัตตาอ่าก็เรียกว่าเป็นผู้เป็นผู้เรียนก่อนเพราะว่าที่เกิดมาเนี่ยมันมีความหลงคือมีอวิชชาแล้วก็หลงว่ามีเรามีตัวมีตน ม, มีเขามีเรานะ แต่ทีนี้เมื่อได้เรียนไปเนี่ยจนกระทั่งปลายทางสูงสุดเนี่ยแม้กระทั่งพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านก็ตรัสเองว่าทำทั้งปวงเป็นอนัตตาคือไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ใช่เราไม่ใช่เขานะเ <_ s> พราะฉะนั้นที่คุณเรียนกําลังพูดถึงตอนเนี้ยเรากําลังพูดถึงในชั้นที่ว่ายังมีตัวตนยังมีตัวเรานะยังมีคำพียังมีตัวเรายังมีตัวเราต้องไปไปเรียนนะ แต่บางครั้งเนี่ยคนที่เ้าเรียนมานานเนี่ยเขาเข้าใจเรื่องความไม่มีตัวเราไปแล้วนะอย่างเช่นที่พูดกันเมื่อกี้เนี่ยที่สักครู่เนี่ยมาพูดกันเรื่องว่าอ๋อมันยังมีตัวเราคือหลงหลงถามหลงคิดหลงไปว่าเป็นตัวเป็นตนเป็นเราหลวงพ่อก็มาบอกว่าให้รู้เสียว่าเมื่อกี้มีตัวเราเกิดขึ้นแล้ว รู้เพื่ออะไรก็เพื่อที่จะทำลายเพื่อดับอวิชชาดับความหลงผิดว่าไอตัวเราที่เป็นผู้ถามเมื่อสักครู่นี้ความจริงอ่ะมันคือสังขารมันไม่ใช่อัตตาตัวตนอะไรแล้วมันก็ถามเสร็จแล้วมันก็ดับไปตรงนี้เพราะฉะนั้นธรรมะมันเป็นขั้นเป็นตอนแล้วแต่ว่าเราจะเอาขั้นตอนไหนมาพูดล่ะถ้าเอาขั้นตอนเบื้องต้นก็ต้องเอาตัวเราไงตัวเรามีทุกตัวเราอยากออกจากทุก ตัวเราต้องไปฟังต้องไปอ่านคัมภีร์ต้องไปถามคนนั้นคนนี้เอาตัวเราไปถามแต่ผู้ที่มีปัญญาแล้วเนี่ยถึงจะไปถามเขาก็เข้าใจได้ว่าผู้ถามไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนผู้ถามมันเป็นสังขารปรุงแต่งเมื่อถามแล้วมีความเข้าใจก็จะมีปัญญาเข้าใจอีกว่าอ๋อความเข้าใจนี้ก็ไม่ใช่ตัวตนเป็นแค่สภาพธรรมะคือความเข้าใจ เพราะนั้นเนี่ยต้องลําดับกันให้ถูกแต่ว่าที่โยมเรียนถามอ่ะก็คือถูกต้องแล้วแหละเพราะว่าของโยมเนี่ยยังใช้อัตตาตัวตนคือความเป็นเราอยู่ว่าเราลองไปฟังดิลองไปเรียนดิพระพุทธเจ้าสอนอะไรเราไปเรียนให้จบเห็นไหมไปรอบรู้ให้หมดก็ถูกของคุณเรียนไงแต่ถ้าผู้ที่มีเข้าใจแล้วเขาจะรู้เลยว่าไม่มีผู้ไปเรียนหรอกแต่มีการไปเรียนเหมือนกันแต่ไม่มีตัวตนของผู้ไปเรียนอ่าหลวงพ่อพูดแบบนี้ก็เพื่อ เพื่อจะได้ต่อยอดในทางปัญญาว่าเออให้เห็นถูกตั้งแต่เดี๋ยวนี้ตอนนี้เลยว่าจริงๆอะมีแต่สังขารเท่านั้นที่ปรากฏเกิดขึ้นแล้วก็หมดไปนอกจากสังขารแล้วไม่มีอะไรเกิดไม่มีอะไรดับแล้วก็พระพุทธเจ้าสอนในธรรมที่ผู้มีปัญญาขั้นสูงสุดว่าธรรมทั้งปวงไม่ควรยึดมั่นถือมั่นเห็นไหมท่านปล่อยให้วางหมดเลยวางหมดเลยไม่ว่าอะไรทั้งหมดเลยวางไม่มีผู้ยึดถือแต่สิ่งนั้นมีอยู่แต่ไม่มีผู้ยึดถือ นะฟังไว้ก่อนนาะอย่าเพิ่งรับอย่าเพิ่งปฏิเสธแต่ต้องไปพิสูจน์ด้วยตนเองว่าที่หลวงพ่อพูดมาเนี่ยหลวงพ่อพูดในธรรมของขั้นไหนแล้วก็ไปพิจารณาเอานะเดี๋ยวหลวงพ่อก็ขอออกจากห้องไปก่อนเนะเดี๋ยวก็จะเปิดห้องไว้เผื่อมีใครจะคุยข้อธรรมเชิญนะ